นี่ก็เราก็มีจิตมีการงานคือเรื่องชีวิตของเราเราทอดทิ้งไม่ประกอบการกระทํา ชีวิตเราได้มาเหมือนขันหมดมีกายมีใจมีธาตุสีขันธ์แต่รูปร่างต่างกันแต่ลักษณะธาตุขันธ์ลายใจอันเดียวกันมีสภาพเช่นเดียวกันสามัลักษณะ แต่จะต่างกันอยู่ที่มีการกระทําให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราตอนนี้ก็สำคัญวันไหนก็สำคัญจากการใช้ชีวิตประจำวันเวลาให้เวลาล่วงไปเลยเปล่าโดยไม่ทําอะไรอันขึ้นล่วงไปล่วงไป ความวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่ทําให้นเกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนให้เกิดประโยชน์แก่โลกให้เกิดประโยชน์ชนต่อส่วนรวมแต่ญาติแต่ทุกสัมปชิงเราก็ทําได้พร้อมอยู่แล้ววัดพัฒนาตัวเอง <c oughs> จึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่า แต่เมืเราเกิดจูต่างกันในสิ่งเวทล้อมต่างกันบางทีสิ่งเวทล้อมที่ทำให้เราประมาทอ่อนได้ก็อาจจะมีได้สิ่งเวทล้อมที่ทาให้เราเข้มแข็งก็มีได้เป็นคนยากคนจนเกิดมาอยู่กับท่องทุง่งป่าไม้อดจยากบางคนก็เกิดมาอยู่ใน สิ่งเวรลอมที่ดีไม่ลาบาก <c oughs> <c oughs> นี่ต่างกันอาจจะได้นิสัยต่างกันไปตามสิ่งแวดล่อมได้แต่ถ้าเรามามองชีวิตจริงๆนั้นอย่าให้สิ่งแวรล่อมเหล่านั้นเป็นใหญ่เป็นโตให้เราเนี่แหละดีชีวิตของเรา พยายามศึกษาเราก็ทำได้มีมือห้านิ้วสิบนิ้ว <c oughs> มีกายมีใจทำความดีและความชั่วได้อยู่กาให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยคุ้มร้ายคุ้มดีไม่จตเด็กกะอ่อนตัวเล็ก เขาก็พัฒนาเด็กน้อยเวลามันตื่นขึ้นมานอนยิ้มแล้วก็เต่ขาเต่แขนของมันเล่นอยู่ยกมา่ายกมือจนอดถึกพดพัฒนาไปจนแข็งแรงแต่เด็กบางคนไม่ยอมพัฒนา ก็อ่อนเองปัญญาอ่อนเรานี่ถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ถูกต้องก็อ่อนเองทุกอย่างก็ถูกโลกครอมงำได้ไม่คุ้มค่าเราก็ต้องงอง ชีวิตเราเนี่ยอะไรควรจะเป็นยังไงเราก็เคยศึกษามาแล้วอะไรที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราที่เราที่เราได้คิดมานี้นะ <c oughs> เราก็ได้สัมผัสมาแล้วมีความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นงไง ความสะดวกสบายเป็นไงความยากลําบากเป็นไงหลงไหมสศกไหมทุกข์ไหมกับสิ่งต่างต่างการกกาทุกมันผิวเผินตื้นตื้นแต่สิ่งที่ลึกเข้าไปอีกยังมีเหนือโศกเหนือทุกข์ยังมีเหนอยากเหนือง่ายยังมีเหนือผิดเหนือถูกยังมี อย่าให้มาตื้นชีวิตเราให้มันลึกให้อย่าให้เลยถก่า้มันลึกซึ่งถ้าเราเบาบางผิวเผินตื้นๆอะไรก็สัมผัสได้เบาบางเช่นต้นไม้ในดงเปลือกบางๆต้นไม้ในป่าโคกเปลือกดาหนาเก็ดจั บ, จบ ตอนไม้ในป่าดงมันอ่อนแดงอยู่ในความอ่อนแด้เจอถูกไฟลวกนิดหน่อยก็ตายไปแล้วไม่รัดกิ่งไม่เกิดหนอถขพังไปเลยเพราะมันอยู่สะดวกสบายตอนอื่นโอบอุ้มไว้ลมพัดมาก็ไม่ถูกเวลาไปไม่มาก็ตายหมด ตายแล้วก็เกิดหนอไม่เป็นเกิดป่าหญ้าคาป่าพงขึ้นมาแทนตอนไม้ในโคกดูเปลือกหนาหนาะเกศก็มีต้นไม้ในป่าตรงไม่มีเกดมีแต่เปลือกห่อไว้ก็ต่าง ก, กันกับสิ่งแวดลออมด้วย ชีวิตเราก็เหมือนกันอ่อนแดเกินไปสะดวกเกินไปมากง่ายเกินไปไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้เช่นวันหลงก็หลงรวยไปมันทุกข์ก็ทุกข์รวยไปควนที่จะเข้มแข็งบ้างถูกสัมผัสทําให้เข้มแข็งถูกสัมผัสทําให้อ่อนแดไม่ได้สิ่งสมบัติก็ต้องมีอยู่ ในตาในหูจะบอกได้ใงกายใจในโอกาสที่พัฒนาชีวิตของเราตลอดเวลาสิ่งที่ดึกๆมันมีอยู่คุณค่าของชีวิตเรามีอยู่อย่าไปเอาสุขทุกข์เป็นสิ่งขวงขั้นเกินไปหน้าสุขหน้าทุกข์ ยังมีอยู่ ห, ออยหนื่อยเหนื่อยงายยังมีอยู่เหนือเจ็บเก่ตายยังไม่อยู่ดราคอยตัวสิงที่ทาให้เราเจ็บปวดสุขทุกข์อยู่มันไม่ใช่แล้วไม่คุ้มค่าชีวิตเราเกิดมาเหมือนมะพร้าวลูกมะพร้าวขนมะพร้าว ก็ศึกษาเรื่องมะพร้าวเอาไม่เอ็ดวันเอ้ยไม่เห็นมีอะไรมีเปลือกผูผูแต่พันบีเสกหน่อยก็จะเจอกรลาแข็งแข็งโอ้ยไม่เห็นมีอะไรก็ทิ้งไปบางคนก็ปันเปือกแล้วไปเจอกรลาแข็งแข็ง ก็ฟังเข้าไปอีกสักหน่อยจะไปเจอเนื้อมะพร้าวโอ้มันมีอันนี้อยู่แต่บางคนก็ทิ้งแค่นั้นมะพร้าวก็คงมีแช่นี้แต่บางคนเพียรพยายามเข้าไปอีกเจาะเข้าไปในเนื้อที่ในอยู่ในกะัะลาฝังแข็งก็ไปเจอน้ำ เจอน้ำในมะพร้าวได้โอ้นี่คือมะพร้าวมะพร้าวมีผลตรงนี้แล้วก็ดื่มน้ำนั้นได้แก่กระหายเจืหิวได้แต่บางคนก็ไปเจอเพียงผิวูวต้องนอกแค่เพืือกกะลาแค่เก็นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไปเจอแค่ เปลือกคือสุกสุกทุกทุกเอายากเอาง่ายเอาพอใจเอาไม่พอใจเหมือนเปลือกมะพร้าวก็ชีวิตประจำวันทีไรก็ตกอยู่ในสภาพแบบนี้สุกสุกทุกทุกจะหลงหแล้วก็หลงสุกหลงทุกข์ด้วยสุกก็หลงทุกข์ก็หลงด้วยไปเจอยากก็หลงในความยาก อาหลงในความงายมันไปเจอเจ่นอะไรที่ทำให้มันมีมันก็มีในกายเรานี้ในใจเรานี้ก็มีจุกมีทุกข์ทียากมีง่ายมีผิดมีถูกผ่าความผิดผ่าความถูกผ่าความมากเปื่อความชากเข้าไปมันมี เหมือ น, นเนื้อมะพร้าวพอถึงเนื้อเราก็ไปมีพอใจในงานในการของเราแล้วก็ผ่านไปสามขั้นตอนเจอเปลือเกเกลาเจอเนื้อมะพร้าวปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันไปมีศีลมีสมาธิมีปัญญาตอนนั้นยังไม่พอไปมีแช่ศีลสมาธิ ปัญญาที่เป็นเกื้อโลภลูกเอาความรู้เหตุลูกผลเป็นญาณเป็นปัญญาอย่างวิปัสสนเนี่ยมีนะปัญญาความสงบก็มีดังดีไปหลงติดแหลงความรู้ติดแหลงความสุขติดแหลงความสงบอาจจะไม่กินข้าวกินน้าเลยปิติปัสสติ ในเหมือนกันในพระโยคาวจรผู้ความเพียนพทุทธทำความเพียรสงบนิ่งแต่มันก็มีเข้าไปอีกมันเหนือมันดีถึงน้ำก็พูดเราเกิดมรรคผลนิพพาน ถ้ถึงตรงนั้นแล้วก็เหนือกันทุกอย่างเหนือทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องอยากไม่ใช่เรื่องสุขเรงทุกข์ <c oughs> เหนือสุขแลนืทุกข์เข้าไป <c oughs> การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมองอะไรให้สลุตหลวมสักหน่อยเด่นไปจน เจอกำแพงเจอหน้าผาหน้าผาน่ะมันจะเรียบลงได้เหมือนฝั่งน้ำมันจะเรียบลงได้มันมีโอกาสตามความยากตามความทุกข์จเห็นความทุกข์นั่นแหละถูกต้องแล้วความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับใจมันไม่เหมือนวัตถุสิ่งของสามารถลาบลงได้ เหมือนกับเครื่องมือสติสมัญญะเหมือนเครื่องมือเคยพูดอยู่เสมอว่าเหมือนใบมีดตรองรถทักเตอร์ถ้าใบมีดผ่านไปตรงไหนมันก็เลียบตรง น, นั้นวิ่งตาม เดินตามหลังใบมีดมันก็เลียบไปเลยไม่เคยทบกบเทือนสติก็เหมือนใบมีดนั่นแหละเป็นเครื่องนำให้เกิดความเลียบขึ้นมารู้แล้วเห็นแล้วสุขก็รู้แล้วทุกข์ก็รู้แล้วอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจรู้แล้วทั้งหมดถ้ารู้แล้วทั้งหมด อ๋อนั่นก็เรียบลงไม่เป็นเห็นไม่เป็นนั้วก็ทำงานแบบนี้วิชากรรมาฐานทำแบบนี้กันไม่ได้ เ, เง่อไหลขย้อยไม่ได้กรรมอดกัดฟันตามความเห็นมีสติชมชยะเป็นการงานของพระโยขาวจร พวกเราก็ต่างประสบชีวิตมามากแล้วแต่เมื่อมาศึกษาธรรมะเป็นงานอีกอันหนึ่งงานที่เป็นงานลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องใจที่จะได้ผลจากกายจากใจได้ผลจากการกระทามันคืออะไรเราก็มีแบบนี้มีสูตรแบบนี้ท่านพระเจ้า สมัยเป็นเช่า้าชายเขาศึกษาเรืน่นี้จนพบเห็นแล้วนี่เข้าไปประกาศจนมาถึงพวกเราก็ไม่ควรจะทอดทิ้งชีวิตของเรามีความสุขันทุกวันไม่ใช่ไม่มีงานไม่การก็ดอนเล่นไม่ใช่ภายในยังไม่อยู่ยังมีความหลงยังมีปัญหาภายในอยู่ มีความหลงมีความสุขมีความทุกข์มีความโกรธโลภหลงอันนี้เป็นงานของเราจึงพากันมาศึกษามันก็มีเงื่อนวีไขได้ในกายในใจนี่มีอะไรมันชิดมันจริงยังไงมันจะบอกว่าแต่มีสติเป็นสูตรที่ย่อยที่แยกลือถอน เห็นกายเข้าไปเถอะเห็นเวทนาเข้าไปเห็นจิตเข้าไปเห็นธรรมเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเข้าไปมามีเรื่อนฐานะไปเหมือนชั้นไปเป็นหมวดเป็นหมูไปต่อรูปนี่ก็ไปรูปนั่นไปมันมีหมูไม่หมวดหมวดบาป หกุศลหมวดกุศลหมดบุญหมวดศินหมวดสมาธิหมดปัญญาเป็นถิดเป็นแดนไปข้ามอ น, นั้นต์ผ่านตัวนี้ไปมันไม่ใช่ทำไม่มีอะไรพบเห็นมีสติมันก็มีสติสติมันมีอะไรสติก็เห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ใช่สติ ขณะที่เราสร้างสติมันก็มีอันไม่ใช่สติอยู่เราก็เปลี่ยนอันไม่ใช่สติให้เป็นสติเรื่อยไปรู้จึกตัวเรื่อยไปงานของเราถ้ายังมีหลงก็ยังมีงานอยู่ถ้ายังมีความทุกข์ก็ยังมีงานอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้ถ้ายังมีความโกรก็ยังมีงานอยู่อย่าปล่อยทิ้งไว้ มันเสด็ไปซะผ่านไวปซะจนถึงก็มอีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดทุกข์เกิดโทษก็รู้แล้วทาแล้วเห็นแล้วแล้วก็มีอยู่อย่างนี้เราจึงมาศึกษาศึกษาคือถลงุงคือย่อยคือแยกออกอาหายความทุกข์เป็นความทุกข์าหายความโกรธเป็นความโกรธ อยากให้ความผิดเป็นความผิดอากให้ความสุขเป็นความสุขมันมีอยู่มันก็เห็นแต่มันก็บอกเราไปเห็นความหลงรู้สึกตัวมันก็เห็นความหลงความหลงเป็นประโยชน์ทําให้เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาได้เห็นความทุกข์รู้สึกตัวในความทุกข์ก็มีประโยชน์มันทําให้เรา เผยปัญญาได้นี่อย่าไปจนมันแสดงเราจะจ้าฉเฉลยมันมีโจทย์เราเป็นผู้ฉเฉลยแก่ต่างให้มันร่วงพ้นไปนความเท็จมันก็ต้องเป็นความเท็จอยู่เสมอไปความจริงก็เป็นความจริงอยู่เสมอไป สนุกดีเห็นความเทศเป็นความไม่เทศเห็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อะไรมจะดีเท่ากับกรรมฐานมันไม่มีแล้วต่าง ก, กันกับวิชาอื่นนี่คือศึกษา เปิดหมือนสี่พันอย่างเกิดขึ้นกับกายกับใจเรานี้เราก็รู้ทั้งหมดตอนเข้าแถวให้เราเห็นเมื่อนเราเห็นช่างดูว่าช่างคื อ, อยังไงคืออะไรถ้าคนตาบอดก็ไปดูช่างเอามือคำเอา ก็เห็นช่างต่างต่า ง, ต, างต่างกันไปเห็นสุกก็คือสุขคนตาบอดก็ไม่ดูเข้าไปอีกในสุขมันก็มีไม่สุขถ้าเราเห็นมาแล้วเราก็เห็นอยู่เขาสุกเราก็เห็นเขาเขาบอกว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์หมือนคนตาบอดคําช่าง อันนี้ผิดอันนี้ถูกบางคนได้ความผิดไปบางคนได้ความถูกไปแต่คนตาดีมีอยู่การเห็นช่างเป็นยังไงการเห็นช่างเป็นช่างเห็นความสุขเป็นความสุขเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์เห็นความสุขเป็นความไม่สุขเป็นความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ตาดี าภายในมันดีเห็นรูเปเห็นนามตามความเป็นจริงจริงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเห็นตามความเป็นจริงมียเยอะแยะเหมือนแผ่นดินนี้มีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ํามีสสารหลายจริงเหมือนกับรูปลูกของเราคือกายเนี่ย มันก็มีสิ่งที่ตั้งอยู่ในนี้มีตามีหูจมูกลิ้นมีใจด้วยแล้วก็มีต่อไปอีกมีรูปมีรสกลิ่นเสียง <c oughs> เข้าไปอีกต่อเข้าไปอีกมีรสชาติการสัมผัสในรูปในรสในกลิ่นในเสียงต่อเข้าไปอีก <c oughs> เป็นอาการต่างๆ อาการเข้าไปแล้วไม่พอมีอะไรเข้าไปอีกอุปทานยึดไว้เข้าไปอีกในอาการที่เกิดขึ้นเข้าไปอีกมันไม่หยุดแค่สองผลมันต่อเข้าไปเกิดกิเลสตัณหาราคะขึ้นมาเข้าไปอีก แล้วก็เป็นภพเป็นชาติในภพท่านนั้นเขาไปอีกเกิดดับเกิดดับเกิดเจ็บเจ็บตายเข้าไปอีกเกิดหลอเกิดหลอนตัวเราอยู่เสมอเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับเกิดดับอยู่เช่นนั้นยังไม่ชินภพชิ้นชาติตั้งแต่เกิดจากนี้ก็เป็นทุกข์แล้วเสียใจร้องไห้แล้ว ถ้าเราเห็นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเป็นอาการธรรมชาติกฎขงธรรมชาติหน้าที่ของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนี้แต่เราก็มาอยู่ตรงนี้เห็นความเป็นจริงของเขาในร่างกายนี่มี ผมกวเล็บันหนังเนื้อเอ็นกะยูกเนื้อกระดูกน้ำหมอใจตับปังปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยหันใหม่หันเก่าเี่เหล่านี้ก็มีโรคของเขามีอะไรก็มีโรคในร่างกายนี่ตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคตับไตใช้ปวงเกิดโรคมันไม่จี่หลังย่งยืน ตามความเป็นจริงเนี่ย <c oughs> มัอนก็เแผ่นดินนี้มีอะไรหลายอย่างรู้หมดสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายรู้หมดเนี่แล้วรู้ก็ความรู้เนี่ยความรู้ึกตัวที่มีเห็นแค้งเป็นวิปัสนาญาณอย่างนี้มันจบเป็นมันแสดงอันเดียวเท่านั้น เราจะต้องไปแสดงกับมันทำไมเราเป็นผู้ดูมันไม่เป็นไรไปกับมันนี่การเกิดมาของเราอาวุธจบซะเกิดขึ้นมาเพื่อไม่เกิดมันหลงมันเกิดหลงเพื่อไม่หลงหยุดเกิดมันเกิดทุกข์เพื่อไม่ทุกข์เกิดพ้นจากการเกิดเป็นทุกข์อะไรที่มันเกิดจาก กองลูกกอง น, น้ำนี่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะจํานนทําตามมาทุกอย่างเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันก็มีอยู่กันทุกคนศึกษาให้เป็นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจให้เป็นมีค่ามากถ้ายอมทุกอย่าง รับใช้มันทุกอย่างแล้วก็วนเวียนอยู่เหมือนห่วงน้ำโอ้คะข้ามไม่พ้นเราเกิดมาเพื่อข้ามให้พ้นร่างกายจิตใจเหมือนพ่วงแพรมีการขับเคลื่อนไปได้ใช่ไป เพื่อข้างพ้นให้กายทําความดีให้ถึงความดีแลว้วความชั่วให้พ้นจากชั่วเหมือนเพื่องแพรไม่ใช่ล่งรออยู่อยู่กับมั น, มนของเขาที่มันใช่ไม่ได้เราก็เป็นประโยชน์แล้วเราใช้ข้ามทุกเวลาร่างกายเหมือนเพื่องแพรเพื่อข้ามฟัง มันจะผ่านวดป่าสุโกโตเพื่อให้ข้ามจากฝั่งอาลเนวาศีไปฝั่งคา ม, มาวาศีไปมาวันหนึ่งเราก็ต้องข้ามตรงนี้อาลยวาศีคือเขตป่าคา ม, มาวาศีคือเขตบ้าน <c oughs> ที่เกี่ยวกับบ้านก็มีที่คา ม, มาวาศี คาเมคือหมู่บ้านเป็นที่อยู่ของหมู่บ้านกับบ้านมาเกี่ยวข้องกับที่นี่ก็เพียงถึงเทชีนั้นอาเนียวาสีก็คือเขตป่าที่มีมาใช้ฝึกขนตนเองข้ามไปข้ามมาถ้ามันคิดแบบโลกๆลก โลกลกนเสียงเตาหูจะมูกดิน้นกายใจหลงในรูปในรถใ น, นเสียงเหมือนอยู่ในบ้านเหมือนโลกทั่วไป <c oughs> เอาข้ามมาแต่มันอยู่ในกายในใจเราเนี่ยข้ามให้เป็นอันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ข้ามได้แล้วอันทุกข์เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ข้ามได้แล้ว แต่ยังไม่ขึ้นฝั่งนะเพียงแต่เห็นมันทุกยังอยู่ในเรืออยู่้าจะขึ้นฝั่งก็ต้องไม่ไม่เป็นผู้ทุกขึ้นฝั่งได้ง่ายๆถ้ายัายางเป็นผู้สุขก็ยังขึ้นฝั่งไม่ได้ถ้ายังเป็นผู้ทุกข์ก็กยังขึ้นฝั่งไม่ได้เป็นผู้ลูกก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ให้เห็นวัน ถาเห็นมันก็ขึ้นง่ายๆเห็นวันแก่ไม่ใช่เป็นผู้แก่เห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บเห็นวันตายไม่ใช่เป็นผู้ตายนั่นบอกขึ้นฝั่งใช้พ่วงเพรชั้มเร็จแล้วต่อเพเจ้าไม่เห็นเรื่องนี้มาตั้งแต่อายุสามถึงหกปีเขื่อนฝั่งได้แล้ ว, แ, ลวแต่ยังใช้พ่วงเพร ใช่เพื่อการนี้โดยตรงแล้วก็แพนี้ใช่ใชายที่ใจนี้ไป <c oughs> บอกคนอื่นขับเคลื่อนไปบอกคนอื่นท่านทั้งหลายก็มันเราตถาคตเราตถาคตก็เหมือนท่านทั้งหลายเหมือนกับพ่วงแอันเดียวกัน แล้วก็ต้านทั้งหลายก็เป็นเหมือนเราสถาคตนี้อันเดียวกันจิงที่ไม่เหมือนกันคือขึ้นฟังได้จิงที่ท่านเคยคนไหนทุกข์ูเจ้าก็ไปบอกขึ้นฟังหลายคนเพราะไม่ใช่ไปดีกว่าเลิศกว่า เราเคยทุกข์มาเปลี่ยนทุกข์เห็นทุกข์ดังพระยศะศะักดิ์หลวงปูทุกหนอทุกหนอเจ้า ท, ที่นี่ไม่มีทุกข์มาที่นี้ก็สอ น, <c oughs> นะสอนยศศักดิ์หลวงปูดจนขึ้นฝังได้ บทหลังปัญจวัคคีหน่อยดึงในช่วงนี่แหละจิงหาเนี่ยมีกันไม่ใช่วิเศษอะไรเป็นตัวอย่างโจ่ะแก่ก็แก่เหมือนกันดนหลาวเขาเดียวอายุเท่ากันแก่เท่ากันคือไปมากจับปะ แกเหมือนกันกะเรียกว่าเพื่อนสหายหลายชีวิตที่เป็นพระอรหันตุลลาวเขาเดียวกันคิดไหลกันได้เอาอย่างกันบางทีก็เป็นเพื่อนปรับสุขปรับทุกข์ด้วยกันจาง พระลาหุนกับพระสวัสดต้นลาวเขาเดียวกันเน้นลาหุนเน้นสวัสดเอ ล, ลาอพระพุเจ้าขนาบลาหุนตาหุนก็เสียใจน้อยใจ ด่าเจงคนอื่นมาค่อยด่าเท่าไหร่อาน o ์ก็ด่าเจงถ้าเราโหนงงแง่ไม่หมายฉันข้าวสวัสด์ก็ไปปา ป, ปงน้าพระพุทธเจ้าขนาบดูด่าเสมอลางทีก็โกรธได้สวัสด์ก็ต้องไปแก้เพื่อนอย่างนั้นเพื่อนอย่างนี้ ลาหนอนก็ดีลายที่สุดบางทีผู้เจ้าก็บอกสวัสดีเชวนอาหนอนเพื่อนเราหนนมาจินข้าวฉันข้าวมาหาหน่อยก็ไปเป็นเพื่อนกันอันนี้เป็นกันเยียนมิตรกันช่วยกันได้พวกเราก็อยู่ดีก็ค่ายค่ยกันเป็นเพื่อนกันรูดราวเข่าเดียวกันก็มี <c oughs> เก๋ๆเท่าๆก็มี นี่ก็สหายธรรมการเรียนมิตรมิตร ด, ดีเพื่อนดีสหายดีเป็นส่วนประกอบเข้าไปได้อยู่นี่เราก็ไม่ใช่อยู่คนเดียวมีมิตร ม, มีสหายมีเพื่อนอุ่นใจ ไห่ไม่มีใครอยู่ก็เราก็อยู่มีเพื่อนอยู่ไม่เปี่ยวเรียวได้นี่มีงานอยาน่างนี้งานของเราไม่อยู่ตลอดเวลาถ้ายังมีความหลงก็มีงานอยู่ทำลงไปให้มันรู้ในความหลง น, นั่นถ้ามีทุกข์อยู่ก็ทำลงไปให้มันเห็นทุก ในความรู้ในทุกนั้นร้เป็นการบ้านมาที่ได้เปลี่ยนได้ทุกทีทุกทีไปนี่เป็นงานของเรางานชีวิตคือได้ชีวิตถ้ามันหลงเป็นหลงไม่มีชีวิตเลยแล้วถ้ามีการเจ็บเป็นเจ็บไม่มีชีวิตแล้วถ้ามีการแก่การตายไม่มีชีวิตแล้ว ชีวิตหมดไปแล้วไม่มีค่าแล้วชีวิตของเราจริงๆเนี่ยคือไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยต้องขาดมันทุกเห็นเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเริ่มไปจากที่นี่มันมีลายเริ่มต้นตรงนี้ไปเรื่อยๆไปมันจึงจะไปชำนาญในการเหนือการเกิดเจเยปตายเป็นมรรคผลนิพพาน นักผลเนี่ผ่านเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่บ้านใช่เมืองจะต้องไปให้ถึงบ้านเป็นเมืองดำดินเป็นบนไปฤทธิ์ปฏิหารไปฤทธิ์คือมันหลงให้ความหลงไปความรู้ไปเห็นมันหลงเนี่ยฤทธิ์ น, น้อยนี่ไปฤทธิ์อันนี้ถึงมาถึงขนไม่ใช่ดำดินเป็นบนอยู่โยงคงกระพันฤทธิ์ปฏิหารอันอื่น เห็นไปอย่างนี้ทุกคนก็มีอย่างนี้ให้ชำนาญเรื่องนี้เป็นงานที่ชำนาญเป็นงานที่มีศิละปะเรื่องนี้กันอย่าไปงูอย่าไปแสดงกับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นดีแล้วเห็นทุกเห็นหลงเนี่ยมันเป็นของจริงอันประเสริฐพระเจ้าเลยว่าเห็นอันประเสริฐ มันตาที่เราใช่เห็นบัดเสดเห็นผิดเดินไปถูกที่ถูกทางเห็นน่ะบัดเสดเอาชีวิตโลดได้คนเจ้าความหลงนั่นบัดเสริฐแล้วเราคนเจ้าความหลงอ่ะคนเจ้าความทุกข์นั่นแหะประเสฐแล้วคนเจ้าความทุกข์อ่ะคนเจ้าความโกรธนั่นแหละประเสิฐแล้วถ้าโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ประเสริฐเลย มีอะไรมาอวดมาอ้าก็ไม่ใช่มนุษย์อันเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วก็มีอย่างนี้ที่เรามามีชีวิตนี่เราได้ชีวิตนะเพื่อการนี่โดยตรงไม่ใช่มาอวดมาอ้างรูปพรรณชั้นฐานฐานะอาฐานะอะไรฐานะของเราคือนี่อาฐานะและฐานะอาฐานะอัฐานะคือมันหลงเป็นหลง อานะมันทุกข์เป็นทุกข์อาถาอาถาคือจนจนตควคมหลงจนตัวคมทุกข์ฐานะคือไม่จนมันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไม่โกรธมันมีอะไรที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นมันไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นแต่ว่าฐานะผู้มีฐานะผู้มีชีวิตมันก็ต่างกันอย่างนี้อันอื่นไม่ใช่ต่างกันแล้วแต่จะสมมุติบัญญาเตา ถ้ามีฐานะแบบนี้ฐานะอืนอ่นๆที่เป็นภายนอกก็ใช่ได้เป็นวงจรที่ดีเหมือนเรา อ, อยู่ที่นี่ฐานะภายนอกของคู่ของคนมาช่วยเราสร้างศาลาให้สร้างกระแสไฟฟ้าให้สร้างนา้ําสร้างอาหารให้เครื่องนุงหม่มผู้มีฐานะผู้ไม่มีาฐานะก็ช่วยกัอะไรไม่ค่อยได้ แล้วก็มีส่วนปองจรเป็นส่วนประกอบส่วนภายในของเราต้องมีฐานะเรื่องนี้การอย่าจนไม่ควรจนเด็ดขาดฐานะเรื่องชีวิตเนี่ยสุขเป็นสุขไม่มีชีวิตแล้วทุกเป็นทุกไม่มีชีวิตแล้วเราไ้ชีวิตเพื่ อ, เ พ, อเพื่อไม่มีชีวิต ชีวิตเรามาเกิดเพื่อเกิดเจ่เพื่อแจ็เจ็บเพื่อเจ็บตายเพื่อตายไม่ใช่ชีวิตเราตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆต้องพ้นจากดงนี้ไปที่เราเราจะได้ชีวิตอยู่ก็ทุกวันทุกนาทีมันเกิดให้เราเห็นต่างๆเราก็รู้มันทุกครั้งเปลี่ยนได้ทุกครั้งไม่เป็นไปกับมันทุกครั้งนี่เรืว่าชีวิต ที่เราได้มาเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีสิทธิ 100% ยเปอร์ซติธิอย่างอื่นอาจจะไม่100 1 0อยเปอร์ซเทียบเท่ากันไม่ได้แต่สิทธิอันนี้เสมอสามันลักษณะอันเดียวกันจึงไม่ควรพลาดถ้าโอกาส ที่เราได้มีชีวิตยอยู่มีกายมีใจมีรูปมีนามไม่ประกอบเจียงนี้ให้เกิดขึ้นไม่มีค่าเลยเพราะแม่เกิดเรามาก็ไม่มีประโยชน์ความทุกข์ความยากการเกิดของเราเนี่ยเจียงเป็นเจียงตายมาสองคนสองคนมีความเฉียงตายคือแม่กับเราอยู่ในคันสองคนเนี่ย สองชีวิตนี่เอาชีวิตเสียงเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่มันจะได้มามันมีอะไรประกอบไอพ่อมีแม่มีความรักมีความเมตตาจากได้ลูกมีส่วนประกอบจนเลี้ยงลูกใหญ่โตแม่ก็มีนมให้กินมีมดลูกให้ดู ก็คนเราไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่ถึงร้อยปีหมดไปแล้วดองคนผู้หญิงไม่มีมดลูกนะไม่มีนมให้ลูกนะมันจะเท่าไหร่ชั่วอายุของคนทุก ว, วันนี้ก็ไม่ถึงเกิดร้อยปีก็หมดไปแล้วนี่มันก็มีอย่างนี้เพื่อการนี่โดยตรงถ้าเรามองดูถึงสิ่งแวดล้อมที่เราได้คิดมา มันเป็นเรื่องใหญ่มากเราจะปล่อยทิ้งไง้สุขให้ทุกอยู่ไม่ได้เกิดบางารพฤติกรรนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ของเราร้ยเปิดเซนตถ้าเรามาถึงจุดหมายปลายทางเปลี่ยนไปได้จนไม่เป็นอะไรกับอะไรนะี่ค่มค่า เกิดมาคุ้มค่าแล้วต้องเป็นหนึ่งในเรื่องนี้กันอันอื่นเป็นรองดังพระสิทัตถะเกิดขึ้นมาขี่เนวขึ้นเลยเราจะเป็นหนึ่งในโลกคือ เ, เรื่องนี้แต่เป็นชาติสุดท้ายในโลกเลยทีเดียวจะเป็นหนึ่งจึกเรเื่งนี้กัน กลมหลงมาขั้งสุดท้ายเริ่มไปจากในความทุกข์เปั้งสุดท้ายกล้มโกรธเปั้งสุดท้ายชาติพบเป็นคขั้งสุดท้ายไม่มีชาติอองไม่มีพบอื่นกรมาพบปลูกพบกรรมมาสวะผวาสวะวิชขาสวะชื่นไปไม่มีปัญหามมติชีวิตล้ล้วนอย่างแนวมันเริ่มต้นจากตรงนี้ก้าวแรกจากตรงนี้คือมีสติเห็นไปเรื่อยๆไป แล้วก็นี้ให้เราเห็นมีงานที่เราทำอยู่อย่าร่างมาเทวาแกว่าหนุ่มว่าสาวว่าเพศว่าว่อยว่าลัทธิสําคัญว่าตัวเลิศกว่เขาสําคัญว่าเราเร็วกว่าเขาไม่ต้องเอามาวัดในด้านนั้นเอาวัดในกายในใจเหล่านี้อันนั้นก็อันเดียวกันอยู่เรามีสติคนก็มีสติได้ สติอยู่กับเราเวลานี้กับสติอยู่กับพู้ทีเจ้าอันเดียวกันสติยกับพระสงกับสติเป็นแม่ชีสติกับญาติกับโจงผู้หญิงชายอันเดียวกันความหลงก็เหมือนกันความไม่หลงก็เหมือนกันความทุกข์ก็เหมือนกันความไม่ทุกข์ก็เหมือนกันเนอสุขเนอทุกข์ก็เหมือนกันอยู่ไม่ใช่เอา วันนะเพศไหวมาขี่มาวัดถ้าปฏิบัติดีมีศีลพระท่านมีศีลกว่าเราไม่ใช่อันเดียวกันเราก็เคารพตามสมมุติปัญญาจะไปโทษทิ้งสมมตุติพระก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่ขีก็นั่งอยู่ที่โน้นญาติโยมก็นั่งอยู่ที่โน้นแล้วก็ต้องมีระเบียบแบบนี้เพื่อฝึกตนสอนตน หล่อหลอมเป็นเบ้าเป็นแบบเพื่อเข้าแบบเข้าพิมพ์ไปตามฐานะนี่เป็นสมมติปัญญาติ่วนปรมาจิตจะอันเดียวกันลองหลงไม่หลงก็เป็นปรมัติตความหลงเป็นสมมติไม่หลงเป็นปรมัติตมีสิทธิเท่าเทียมกันมันทุกความทุกเป็นสมมติความไม่ทุกเป็นปรมาจิมีสิทธิเหมือนกัน ความโกรธอะไรต่างๆเหมือนกันเป็นสมมติเป็นปรมัติของเท็จของจริงแย่ไปหลงของเก่าอย่าไปเมาของใหม่ให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงนี่คือการงานของเราชีวิตของเราได้มาเพื่องานอันนี้งานอันนี้โดยตรงถ้าหลงเป็นหลง ทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธจีบเป็นเจ็บเจเป็นเกตายเป็นตายเสียใจทุกใจเพราะอาการเหล่านั้นไม่ใช่ชีวิตชีิตเรามันต้องเ ห, ออเหนือเหนือเก่เหนือนเจ็บเหนือตายเห็นมันเจ๋อเห็นมันเจ็บเหน็นมันตายไม่ใช่เป็นผู้เจ๋อไม่ใช่เป็นผู้เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ใช่เป็นผู้ตายไม่เป็นอะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสมมติตามบัญญัติ ตามอาการตามสามันลักษณะที่มันไหลไปของเขาเราก็เห็นแล้วเนี่ยก็คืออันนี้ชีวิตของเราที่เราได้มาเนี่ยให้วันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อการนี้เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกัน อันนี้ก็สมควรใช้เวลากับพระพ่อมกัน